มีใครพึ่งมาวันนี้มาจากไหนะเพชรบูรณ์มากี่วันมาอยู่กี่วันฮะค้างสามคืนเคยภาวนามานานหรือยังหลายปีแล้วทำไปไม่ต่อเนื่อง ที่บ้านเหร อ, อปฏิบัติที่ไหนก็ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อคืนใครอยู่ทั้งคืนบ้างในสติจิกไม่หลับเลยมีไหมเงยบอมีคนเดียวเหรอสินดีอ่ะสินดี้ิ่ดจินดา มาเชียอะไรเออเราลืมลุกมาดูาดอ่ะเออเมธสชิกของเราต้องไม่หลับนอกจากอยู่ในย บ, บทตรสามแล้วต้องไม่หลับด้วยมานั่งหลับก็ไปนอนซะดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวติดนิสัยอีกแย้ม <c oughs> <Yeah. S 2> ทำอะไรบ้างวันนี้ กับนักเรียนนําบ่อมาเยวัดได้บุญหลายบ่อโอ้บุญเป็นอะไรเนาะบุญเป็นยังไงเนาะบุได้บุญหลายเป็นอะไรเนาะมันเป็นกรรไกรใหญ่บ่อุ้มลุมออยู่บ่อเป็นอะไรบุญนะ บุญมันมีสองความหมายอันหนึ่งเป็นผลของบุญคอยให้ผลอยู่ก็มีการทำความดีต่างๆเนี่ยผมมีจริงทานที่ให้แล้วมีผลมีผลในทีน่นี้ก็คือเวลาเรามาเกิดแนละ้วมันมีวิบากไอ้บุญความดีที่เราทำเนี่ยมันสนองให้ผลเราเหมือนเดี๋ยวเนี่ยทุกคนะ่ะมันจะมีวิบาก คือผลของบุญที่ให้ผลในปัจจุบันเนี้ยมันให้ผลในปัจจุบันเดียววิบากเช่นจิตเราอยู่ดีๆคิดไม่ดีขึ้นมาปุ๊บุ๊บุบขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นวิบากผลของกรรมความเคยชินในจิตของเราถ้าว่าเกิดแล้วเราเห็นมันปุ๊บดับไป อ, อย่างนี้เราใช้กรรมไปแล้วไม่สร้างกรรมใหม่แต่ปุ๊บุ๊บ๊บขึ้นมาไม่ดีขึ้นมาเราก็ ไม่สบายใจคิดตำหนิตัวเองนี่เราทำไมคิดไม่ดีนะนี่เราไปยึดมันแล้วสร้างกรรมใหม่ละมีอุปทานโหรวดเร็วมากเลยนะรวมทั้งไปพบกับใครถ้าหากว่าคนไหนเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมามันก็จะรู้สึกว่าสบายใจอยากช่วยเหลือกันถ้าหาว่าเจอเวลาที่มัน เคยบันทอนกันมาเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่สบายใจกันกระทบกระทั่งกันมันก็มีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีบนเวียนอยู่นี่หละอันนี้เป็นวิบากคอยให้ผลมีแอีอันหนึ่งก็คือมันชาระใจเราชาระใจเร า, เ, าเวลาเราทำบุญทำความดีมาเนี่ยใจเราเบิก บ, บานอิ่มเ อ, อิบมีความส ง, งบ มีความสุขแล้วที่สำคัญเป็นสติรักษาจิตได้ง่ายได้เร็วไอ้พอมีสติรักษาจิตปับ๊บเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคราวนี้อานิสงส์มันมากเลยนะที่มีผลมันมากเพราะว่าการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสูงที่สุดเลยนะเดี๋ยวว่าเป็นการปฏิบัติบูบบชาก็ได้เหนือกว่าการบูชาทั้งปวงการบูชานี้ก็มีผล เพราะนนมาวัดเนี่ยสัมรวมจิตใจด้วยความเคารพนิ่งอันนี้ก็เป็นบุญเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเกิดได้พระพุทธเจ้าเอาง่ายๆเลยเป็นที่อยู่ของสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วสาวกที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นมงคลขึ้นมานะแล้วเราทําให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ง่าย จิตเราก็น้อมไปในทางเคารพเนี่ยเกิดเป็นบุญขึ้นมาแล้วถ้าเมียงก็มีผลด้วยนะ ม, มีมีผลเกิดพอเราเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของความศรัท ธ, ธาเนี่ยคนเขาก็เมตตาเรารักใครเราเราได้อะไรมาคนก็ไม่ค่อยอิจฉาได้ก็ได้ของดีๆเนี่ยพวกนี้เป็นความดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเข้ามาในวัดเนี่ยถ้าใคร เข้าใจเนี่ยบุญมันก็เพิ่มขึ้นเมาเข้ามาในถสถานที่ที่มันเกิดเพราะอานุภาพของพระพุทธเจ้าทำให้ละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมมาส่์ได้ง่ายจิตเราสบายสติรักษาใจง่ายอุ้ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคือมันไม่อยู่แค่บุญเล็กๆน้อยๆอย่างคนทั่วไปทางโลกเขาคิดกัน่ะคราวนี้เราคิดไปถึงพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าการที่พระองค์เนี่ยมีวัดมีวา อนุญาตทรงอนุญาตให้มีวัดมีวามีที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้เราสามารถชำระจิตใจของเราได้สูงขึ้นมากขึ้ น, นมีสติแล้วก็ยิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาก็ยิ่งสูงขึ้นมาอีกยิ่งใครรู้ปล่อยวางปล่อยวางบรรลุมรรคผลขึ้นไปก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถึงนิพพานแล้วก็โออันนี้สูงสุดละ บุญก็เต็มที่ละบูชาพู้ใจยากเอาสูงสุดตรงนั้นเลยนะเนื่อคําตอบมันจึงอยู่ที่นิพพานทั้งพ้นจากทุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหมดปัญหาหมดเรื่องหมดเลา่าวันนี้คณะหนึ่งก็มาก็พูดกันเรื่องเนี้ว่าโอ้เกิดตายเกิดตายอยู่นี้มันไม่ได้อะไรนันเนี่ยเขา ก, ก็เห็นด้วยอยู่นะแต่ถ้าเรายังทําไม่ได้เรายังต้องอมีชีวิตอยู่ยังทําใจไม่ได้ก็ทําความดีไปเรื่อยๆเพื่ออะไรแต่ว่าให้รู้ว่า ชีวิตของเราเนี่ยมันมันเกิดมาแล้วตายก็เอาอะไรไปไม่ได้บางคนคิดได้อยู่อ่ะฟังได้อยู่แต่เวลามีการจัตายลงไปพัดพลากจากไปก็ทำใจไม่ได้นี่คือใจเนี่ยมันหลงมากตัวใจเรานี่มันหลงมากมากเพราะฉะนั้นใครมาอยู่วัดก็เอออันไหนเป็นความดีความงามพอกระทำบาเพ็ญได้อันนี้มันก็มีทั้งผลบุญเกิดขึ้นด้วย แล้วก็มันก็มาชำระจิตใจเราทำให้จิตใจเราสุขสบายในปัจจุบันด้วยมันก็ทำให้ชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นะ่ะเพราะว่าทุกคนน่ะเกิดมาแล้วก็ต้องการความสุขอะ่ะพอเราทำแล้วมันสุขใจมันสบายใจอิ่มเ อ, อิบเบิกบานมันถูกทังหมดอะ่ะนี่มันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจา้ารวมทั้งเคารพกราบไหว้เนี่ยผู้ที่ควรเคารพกราบไหว้ก็เป็นบุญทั้งหมดเลยนะ ฟังธรรมอย่างนี้ยิ่งธรรมะนี่เป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดเลยพระพุทธเจ้าสรรเสริญไม่ว่าโลกไหนก็ตามที่ไหนก็ตามอาดีตอนาคตก็ตามธรรมะประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเนี่ยได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมโอ้ไม่แต่สิ่งดีๆนะพอเรามาอยู่วัดเนี่ยยิ่งถ้าใครอา้าวตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอันนี้ยิ่งมีอนุภาพมากทีนี้การปฏิบัตินี่เราก็พอเข้าใจแล้ว่ ก็ต้องมีสติรักษาจิตเราเวลาปฏิบัตินี้ก็ต้องไม่ต้องไปอยากให้สงบหรืออยากได้อันนั้นอันนี้อยากรู้นั่นรู้นี้ก็เอาแค่ว่าให้ได้ปฏิบัติมีสติรักษาจิตเราแล้วก็เคยปฏิบัติผลมันเป็นยังไงมาแล้วก็ไม่ต้องเอามาเป็นอุปสรรคเอาปัจจุบันเลยว่าเออคราวนี้เราปฏิบัติแล้วจะเป็นยังไงคอยสังเกตดูมีสติไว ถ้าจิตมันเร็วมันหลุดไปเอาก็เอาใหม่ไม่เห็นเป็นไรเลยทําให้มันสบายอ่ะไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรกับมันแต่ปฏิบัติอยู่จเจริญสติไปเรื่อยๆผลเป็นยังไงเราวางเอาไว้เราคอยสังเกตเอาดูเอ า, เอาถ้าเราวางใจถูกต้องการปฏิบัติธรรมจะง่ายขึ้นแล้วยิ่งถ้าว่าใครนะมันเข้าใจชีวิตเนี่ยว่าเรานี่ไม่นานก็ตายแล้วทุกคนน่ะที่อยู่ในนี้มันต้องตายอ่ะ ตายแน่ๆบุญมากบุญน้อยก็ตายอ่ะตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แน่นอนจะรวยเจ็ดอยากจนขนาดไหนกน็ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเรามาเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องปล่อยวางอะเรื่องข้างนอกมันจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามเออเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วนี่ให้คิดให้มันง่ายๆเลยอย่าให้มันลุงลังอยู่ในจิตของเราจิตของเรานี่เวลาเราจะภาวนาเนี่ยนะ มันชอบหมุนไปทางอดีตอดีตนี่ชอบคิดทางไว้ดีด้วยนะปึ๊บเข้ามาเอาแล้วปรุงแต่งไปแล้วไอจิตมันโลห้ามันก็ไม่ได้เรามีหน้าที่รู้มันแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของมันว่าจิตเนี้ยมันเป็นธรรมชาติที่ต้องนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ถ้ามันคิดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เอาไม้เนี่ง่ายๆทำให้สบายๆเลยมันจะไปอดีตแล้วก็มันผ่านไปหมดแล้วนี่ ไปยุ่งคนนั้นคนนี้หรอโอ้ยเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วหรือว่าเอา้าต่างก็มาตามกรรมไปตามกรรมเราก็ไปตามกรรมของเราเขาไปตามกรรมของเขาเขาจะไปนรกไปสวรรค์ก็เรื่องของเขาเราไปนรกสวรรค์เรื่องของเรานี่แยกกันออกหมดเลยแต่เขาทำกรรมไม่ดีก็เรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาไปแต่เขาทำกรรมไม่ดีเราไปตำหนิเขาไปว่าเขาไปด่าเขาสาปแช่งเขา ไอ้อย่างนี้มันเป็นกรรมของเราเนี่ยเราต้องแยกให้ออกนะแยกเขาแยกเราออกมาวางใจให้มันถูกแต่เขาดีก็เป็นกรรมดีของเขาเราก็มีหน้าที่ว่าเออพอยินดีไปด้วยในโลกเราจะได้มีคนดีเยอะๆถ้าไปอิจฉากันก็อีกละ่ะเป็นกรรมไม่ดีของเราอีกละ่ะเมื่อสติรักษาจิตจึงสําคัญมากพอไม่งั้นแล้วมันจะออกไป ไม่ค่อยมีสาระไม่มีแก่นสารอะไรมันก็ไปหาเรื่องแล้วก็ไม่งั้นก็ไปอนาคตอนาคตนี่มันก็อยากจะวาดวิมานในอากาศปรุงแต่งในทางดีๆปฏิบัติธรรมก็ปรุงแต่งไปอยากมีธรรมะมีธรรมะแล้วก็ไปสอนคนนั้นคนนี้แนะนำคนนู้นปรุงแต่งไปเราต้องอยู่กับปัจจุบันนี่แหละอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงอะ่ะ ถ้าจะคิดวางแผนอนาคตก็คิดด้วยความมีสติคิดให้จบคิดให้มีคาตอบแล้วมันจึงจะหยุดคิดคิดอดีตก็เหมือนกันกับคิดด้วยความมีสติคิดให้จบเอามาเป็นบทเรียนสอนจิตเราได้อางนี้ความเข้าใจพื้นฐานเวลาเราปฏิบัติเนี่ยแล้วก็รู้แล้วว่าธรรมชาติของจิตมันต้องคิดไปเป็นธรรมดาถ้ามีสติต่อเนื่องสติควบคุมจิตได้จิตอยู่ จิตจะค่อยอยู่เนี่ยอยู่คือยังไงเช่นบริกรรมหรือดูลมเข้าลมออกอ่ะจิตมันก็มาจดจ่ออยู่อารมณ์ใดเอารมหนึ่งอารมณ์อื่นอนมันจะเบาลงเบาลงเบาลงเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวหรอกความคิดเนี่ยเพราะมันเกิดดับได้มันไม่ใช่เาราเราวางใจถูกต้องกันสบายละมันคิดไม่ดีมากอา่ะอ้าวก็กรรมไม่ดีมันให้ผละบางทีเราคิดไม่ดี มีเยอะเหมือนกันนะคนปฏิบัติธรรมโรงพยาบานไทยที่นั่นที่นี่เขาก็มาหาทําไมเวลาปฏิบัติแล้วมันชอบคิดไม่ดีคืออยากคิดดีตัวเองก็อยากทําดีก็เลยอยากคิดดีก็ตั้งเป่าไว้ว่าจะไม่คิดในทางไม่ดีจะพยายามทาดีคิดดีพูดดีแต่ทีนี้ไอ้กรรมอำนาจของกรรมมันสร้างนิสัยของจิตอะความเคยชินภายในจิตอะ อันนี้อันนี้ก็ให้รู้ว่าอำนาจของกรรมเก่าความเคยชินของจิตเราเป็นอาการของจิตมไม่ใช่เราหรอกพวกนี้เราก็วางใจสบายๆทางสติมันรู้ทันเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่มันก็จะวางอุเบกขากับสิ่งเหล่านี้ได้ขั้นตอนตอนนี้เราปฏิบัติก็ปฏิบัติไปก่อนวางใจสบายๆไม่ยินดีไม่ยินลายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้เหมือนกันมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะ ละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ไประโยคนี้สำคัญละความยินดียินร้ายเนี่ยต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายชีวิตเราไม่ชากระตายจากโลกนี้ไปง่ายๆเลยแต่ว่าโอพุทโธพุทโธมานานแล้วไม่สงบเอาให้มันยอมรับให้ได้ว่านี่นี่นี่ของตายของตา ย, ตายเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าตายตายหรือว่าดินดินหรือว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรอนัตตาอนัตตา คือมันมีหลายวิธีอ่ะทีนี้เราก็ดูของเราเองเราทํำยังไงแล้วเราสบายจะเอาไปดูลงเข้าลงหมอกก็ได้หรือรัดสั้นเลยไม่มีเราแน่นอนตายแน่ๆตายแน่ ๆ, ๆ, ๆถ้าทาแล้วจิตแล้วมันสลบท์มันกลับเข้ามาหาตัวเองได้ก็เอาแล้วจิตของคนเรานี่ยนะจิตของคนเราพวกอารมณ์ต่างๆเนี่ยตึบขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ตอนกระทบอารมณ์นะ มันรวดเร็วเลยนะปึ๊บตาเราเห็นปุ๊บถ้ามันไม่ถูกใจเราเนี่ยมันจะปึ๊บขึ้นมาไอ้ตึ๊บมีพึ่งเกิดนะถ้าใครรู้ทันมันปึ๊บมันจะเห็นว่ามันดับด้วยมี่ีรู้ทันผัสสะก็เรียกรู้ทันผัสสะมันเป็นธรรมชาติตากระทบลูกมีจิตไปรับรู้หรือเขาเรียกวิญญาณสามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะถ้ารู้ทันผัสสะก็คือรู้ว่ามันตึ๊บเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจบแต่ถ้ารู้ไม่ทันตุ๊บ มันรวดเร็วมากเลยนะความรู้สึกเกิดขึ้นสบายไม่สบายนี่หละเวทนาเวทนานี่มันก็เกิดจากผัสสะเกิดจากการกระทบอารมณ์เรายังอยู่ในโลกมีตามีหูมีจมูกมีลิ้น ม, มีกายมีใจมันก็ต้องกระทบอารมณ์ทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ต้องมีเวทนาเกิดขึ้นถ้าทำผัสสะนี่เวทนาไม่เกิดจบรู้ว่าโอ้สักว่าเวทนาจิตเราก็อุเบกขาแต่ทีนี้มันไม่ทันนะสิคนส่วนใหญ่ไม่ทันนะเออคือมาก็รู้สึกไม่สบาย ไม่สบายนี่ก็บรู้ว่าสบายเนี่ยมีสุขมีทุกข์หรือเฉยๆวนเวียนบนเวีย น, น, วยนพวกโมหะไม่สบายก็จะเกิดความไม่พอใจแล้วทีนี้ถ้าสบายก็เกิดความพอใจขึ้นมาเนื้อาการพวกนี้มันเกิดตามมาเพราะว่าเรามีชีวิตยอยู่ในโลกมันต้องกระทบอารมณ์เมื่อกระทบอารมณ์มันก็ต้องมีเวทนาอย่างนี้แหละถ้าเราทันมันก็จะจบมาโอ้มันเป็นเวทนาเนาะไม่ใช่เราแต่เรานี่เราไม่สบาย เราเป็นทุกข์นาหรือว่าเราสุขแล้วก็เกิดความอยากตามใหม่นะที่นี่นี่มันเป็นกระแสะของทุกขน์เนี่ยกระแสะทุกข์นมันเกิดอยู่ในจิตเนี่ยจิตของทุกคนแหละมันจะต้องเกิดแบบนี้คือมันเกิดเป็นขณนะขณนะขณนะเพราะทเราในท่านตัดสรู้ตรงนี้เลยรู้ว่าจิตของคนเรามันเกิดดับแต่เรารู้ว่าความคิดนี่มันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงเนี่ย เราจะรู้วิธีรับมือกับมันคือไม่ไปกังวลไม่ตกใจกับมันพยายามเจริญสติจนจิตมีสติดีขึ้นมาควบคุมจิตได้จิตเป็นสมาธิสมาธิมีกําลังมากพอทําให้จิตของเราตั้งขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นอาการสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วก็ดับแต่ถ้ามันยังไม่ตั้งมั่นมันยังใหม่อยู่ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนปฏิบัติไปก่อนวิธีไหนทำให้จิตของเราเนี่ย กลับเข้ามาอยู่กับตัวเราสติรักษาจิตใจได้เราก็พยายามที่จะทำํำถ้าบุญก็เกิดอยู่ตลอดเวลาที่เราสำรวมเราพยายามละมัดนระวังเรามีสติเราทําดีทําอะไรเนี่ยเพราะฉนั้นมาวัดเนี่ยถ้าเราเข้าใจถูกต้องมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยบุญมีมหาศาลเลยล่ละยิ่งมาที่นี่เรามาทั้งฟังธรรมทั้งปฏิบัติธรรมทั้งทําบุญคุณงามความดีอะไรช่วยพระศาสนากันเนี่ยบุญเป็นประมาณไม่ได้แล้ว ถ้าพูดถึงบุญในทางโลกโลกอะ่ะมันพอแล้วก็เหลืออย่างนี้ว่าทำยังไงจิตของเรามันถึงจะพัฒนาขึ้นให้ฝ่ายกุศลมันเจริญขึ้นในจิตของเราคือสติสมาธิปัญญาสตาความเบียดเจริญขึ้นให้มีปัญญายานแก้ก้าขึ้นมาให้มันต่อยวางอัตตาตัวตนนี่เขารลึกซึ้งแล้วนาะที่นี่ธรรมะลึกซึ้งอยู่ไหมว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันไปยึดว่าเป็นเรา จริงมันเกิดร่างกายก็เอาเกิดชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายไปแล้วเรายังไม่ถึงปณิพานมันก็ผลาญใบาตายเกิดไปแนวแล้วเราเร า, เราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้อยู่งี้แหละใจมันก็เมื่อมีจิตมีใจแล้วเราก็มีกายมีตาหูจหมูกลิ้นกายใจ ก, ก็กระทบอารมณ์เรื่อยไปก็มีตึบขึ้นมามีเรื่องมีราวปรุงแต่งขึ้นในจิตมีความอยากต้องการอยา ก, อ, ยางงอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ทําไปตามความอยากอันนั้นละ ความอยากก็เป็นสังขารมันก็คิดตอนที่มันกระทบอารมณ์แล้วเกิดความอยากความต้องการกระทบอารมณ์ในที่นี้บางทีจิตมันก็นึกขึ้นมาเองแล้วไปกระทบจิตอีกทีมึมหมายว่าอยู่เฉๆไม่เห็นมันก็กระทบได้หูไม่ได้ยินก็กระทบได้จมูกไม่ได้จีนก็กระทบได้ลิ้นไม่ได้สัมผัสรถก็กระทบได้ใจมันกระทบมันนึกถึงเรื่องราวที่มันเคยกระทบมามันค้างคาอยู่ในจิตใจก็เอามาปรุงอยู่เรื่อยก็วนเวียนอยู่ในจิตมันก็มีน้ำหนักขึ้นในจิต มันก็ปรงแต่งขึ้นในจิตสรุปแล้วมันไม่ได้มีตัวตนเป็นเพราะเราขาดสติขาดปัญญารู้ไม่ทันมันแต่ถ้าอินทรีย์ไม่แกกล้าก็ไม่ทันอยู่ดีลหละก็ต้องมาปฏิบัติต้องปฏิบัติทิ้งการปฏิบัติไม่ได้เลยเพราะนั้นทำอะไรอยู่ก็ตามถือว่าเป็นการปฏิบัติคนนั้นน่ะมีโอกาสโชคดีเพราะอยู่เฉยๆในบ้านในเรือนทำการทำงานทาอะไรอยู่ก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม แสดงว่ามีบุญมากบุญก็มากจะรอให้มาวัดบางทีเราก็อยู่ในฐานะเป็นฆราวาสญาติโยมแบบเราจะมาวัดบ่อยๆบางทีมันก็มาไม่ได้บางคนะถ้าคนไหนมาได้มันก็ดีสิเพราะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเป็นที่อยู่อาศัยของสาวกของพระพุทธเจ้ามันก็ทําให้มีกําลังใจหรืออันไหนเราสงสัยก็สักถามเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติมก็ยิ่งดี แต่ถ้าเรามาไม่ได้ตั้งใจเลยเปลี่ยนใหม่แล้วที่นี่ทำงานไปด้วยปฏิบัติทำไปด้วยกันเลยโอ้โหข้าวนี่นอกจากจะมีชีวิตอยู่แล้วบุญเกิดทุกขนาจิตจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเรามีสติควบคุมจิตจิตเป็นสมาธิมีปัญญาต่อไปอินทรีย์แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นก็มีโอกาส เลื่อนชั้นขึ้นเรื่อยๆเป็นพระอเยาเจ้าได้เอาเดียวนี้ญาติโยมที่ปฏิบัติกันนี่มีเป็นพระเจ้ า, าก็เยอะนะไปที่นู่นที่นี่มีตั้งแต่พระโสดาบันสกทาคามีอาาคามีพ่อระหันเลยเขาที่แล้วนี่ยเป็นสารธรรมนีเขาตั้งคําถามว่าถ้าเป็นพร่อรหันแล้วถ้าเป็นโยมเนี่ยเป็นพ่อหันแล้วต้องตายภายในเจ็ดวันถ้าไม่บวชจริงไหมเราก็บอกว่าในตําราน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะใครๆก็พูดอย่า ง, งานั้นแต่สําหรับเรานะ ที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยที่สอบทานกันดูนี่เขามาเล่าสภาวะทํามให้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็มีเขาไม่ได้บวชนะแต่ว่าเขาอยู่อย่างเหมาะสมะ่ะเขาไม่คุกคีตีโมงไม่ไปพูดเรื่องไร้สาระหรอกพวกเนี้ยจะจะพูดถึงก็คือหาทางออกจากทุกข์กันพูดอยู่เนี้ยพูดธรรมะกันช่องทางไหนทําให้จิตใจมันดีขึ้นมาไม่อยากให้จิตใจของคนไปยึดไปติดไปข้อง ไม่มีอะไรเนีย่ยเขาก็อยู่อย่างเงี้ยมันใ็รพูดเหมือนพระพูดอะ่ะแต่ไม่ต้องบวชไม่เห็นบวชก็อยู่กับบ้านกับเรือนก็มีแต่จะวางตัวเหมาะสมนั่งอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเขาอยู่เฉยๆแต่มีใครมาพูดก็ถ้าว่าเป็นทางโลกเขาก็ไม่พูดอะไรมากมายแค่เออพยักพยเยิรไปพูดไปตามมารยาทจบแล้วก็จบเลยพวกเนี้ยไม่เอามาปุงแต่งต่อ สิ่งที่อยากทำก็คืออยากให้คนได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและที่ต้องการความสุขนี่ยไอ้ความสุขเนี่ยมันจะวิ่งไปหาหวังว่าได้มาแล้วมีความสุขบางทีมันก็ยิ่งไปหามันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งถูกบีบคั้นเพราะไม่ได้ดังใจเราตัดทุกสิ่งทุกอย่างพอเอาจิตกลับเข้ามาสุขในสมาธิสมาธิ ส, ธสุขหรือเมฆขมมาสุขสุขออกจากกรรม โอ้นี่มันมันกลับเป็นสุขละเอียดอ่อนขึ้นมายิ่งใครมีสติควบคุมจิตได้มีปัญญาเห็นขันห้าว่าไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเกิดดับมันจะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปเรื่อยยิ่งเบาเบาลงไปเบาลงไปถ้าปฏิบัติไม่หยุดอา้าวถึงเวลามันลงตัวก็มีนะมันลงตัวลงตัวในที่นี้มรรคมันสมังคีกันบรรลุกสดาสกิธานาคา บรรลุพละหันโอ้ยิ่งประเสริฐสูงสุดเลยก็ไปสุดตรงพละหันหรือถึงพระนิพพานนั่นแหละบร ม, มสุขอยู่ตรงนั้นเลยมันก็คุ้มค่านะกับการปฏิบัติอย่างร้อยชีวิตเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันได้พบทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นช่องทางที่จะทําให้จิตของเรามันจเจริญขึ้นทันทีเลยนะภพชาติของเราก็จเจริญขึ้นถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์อะ เอาชาตินี้เรายังไม่พร้อมแต่เราสะสมเอาไว้แล้วอะ่ะเล็กๆน้อยๆก็สะสมไปมากก็สะสมไปมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราจะช้าหรือเร็วแต่ว่าเราได้เตินตามทางของพุทธเจ้าไปเขาก็ทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้นดีกว่ามาทำอะไรต่ออะไรมันเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปมันไม่คุ้มกับการเกิดเป็นมนุษย์นะขาดทุนเลยนะ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์พบคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอแสนที่จะประเสริฐเลยนะมันมีแต่ความจริงเลยนะเราเนี่ยโอ้ยมีความหลงครอบงํามัดเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กียรสงไข่นับไม่ถ้วนเลยหาเบื้องต้นเบื้องไปลายไม่พบเจนกระทั่งไปที่ไหนก็ตามต้องมีที่ฝังศพของเราอยู่หมายว่าเราเคยเกิดเคยตายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมาที่นี่ก็ต้องเคยเกิดเคยตายที่นี่ไม่เว้นเลย แสดงว่าโอ้โหมันยืดยาวนานมากนี่แหละเพราะว่าความหลงของเราไม่เข้าใจความจริงผู้เจ้านี้เอาความจริงมาเปิดเผยที่นี่ตอนเรายังไม่พ้นทุกข์ก็บอกวิธีให้หมดเลยนะใอ้ทำยังไงชีวิตต่อต่อไปมันแค่ดีขึ้นมารู้จักทำบุญสุนทานรู้จักทำคุณงามความดีเนี่ยมาวัดมาว่าก็รู้จักกราบไหว้บูชาสิ่งที่ควรบูชานี่ก็ได้ผลนะรู้จักดูแลกันเนี่ย หยิบน้ำให้กรรมอย่างนี้ก็เป็นกิริยามงคลเขาเรียกว่าไม่เป็นการบูชาแต่เป็นการเขาใช้คําว่ากิริยามงคลกิริยาเป็นวิบากต่อไปใครเห็นก็อยากช่วยเหลืออยากหยิบยืน่นโน่นนี่เนื้อมันจะมีวิบากหมดเลยผู้เจ้าบอกละเอียดมากถ้าใครศึกษานี่จะรู้ว่าโอ้ยดำเนินชีวิตยังไงชีวิตมีความสุขสงบลมเย็นมีวิบากที่ดีงามเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้อันนี้อันนี้จําเป็นอยู่แล้ว ยิ่งเรามีความเห็นถูกตรงแล้วก็ทำกรรมมันกละายเป็นกรรมดีไปหมดเลยเป็นฝ่ายบุญให้วิบากที่ดีวิบากที่สุขสบายแกียตข้าด์ขันของเรามีพ่อมีแม่ให้ดูแลพ่อแม่อุปถากอุปธรรมสำหรับลูกเพ่อพ่อแม่นี่ให้เราเกิดมากรรมมันประมวลมาแล้วให้มาเกิดด้วยพ่อแม่ของเรานี้เราไปเกิดกับคนอื่นไม่ได้นอกจากพ่อแม่เหล่านี้ เพราะนั้นต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ในคำสองเจ้าบทมารดามีบิดามีมีนี้เป็นภาษาบาลีไหมายว่ามีคุณคุณมากถ้าใครไปผิดต่อมารดาบิดาก็อีกหละกรรมก็มากบาปมันมากอากุศลมันมากเราก็เข้าใจเราก็เอาดูแลพ่อแม่ไปสําหรับลูกมี่นียว น, นี้อันนี้พผู้เจ้าสอนไว้ละเอียดหมดเลยนะนี่เป็นความจริงหมดเลย สัตว์อื่นสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นได้เราก็ได้เลวหวังกรรมของเราอ่ะโอ้ปฏิกิามีจริงเราจะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ถูกต้องเนี่ยอย่างเรานั่งอยู่นี่หพวกอะไรต่ออะไรมิติทั้งหลายเนี่ยละเอียดอ่อนมากมีซ้อนซ้อนซ้อนอยูอ่เราจะเห็นเขาหรือไม่เห็นก็ตามแต่ได้เห็นได้สัมผัสได้อะไรมันก็เข้าใจอ่ะถึงไม่ไเห็นทุกวันก็ตามนะมันมันสัมผัสมันเคยเห็นเขาอยู่ยังไงยังไง เขาก็อยู่ของเขาได้อะ่ะมันก็แปลกดีเหมือนกันเหมือนปลามอยู่ในน้ำมันอยู่ได้เทียบเคียงง่ายๆเลยนะมันก็อยู่ของเขาได้บางทีตาเรามันไม่เห็นหรอกเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆไวรัสแบคทีเรียลอยมาในอา ก, กาศอย่างเงี้ยคลื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีนมแต่เราไม่เห็นน่ะคุณเจ้าก็สอนวิธีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องรู้จัแพ่เมตตารู้จักข้อหสิกรรมรู้จักอุทิศบุญเนี่ยพวกนี้อยู่กับพวกเขาได้ เราเข้าใจธรรมชาติว่าอาศัยว่าเรามีความศรัทธาเลื่อมใสว่ามีผู้ที่เจ้าจริงสามารถสอนคนอื่นให้รู้ตามได้จริงเราก็เลยมาฟังธท ร, ร ม, มาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นฝ่ายโลกิยะฝ่ายที่ปฏิบัติแล้วนี่มันจะไปสู่โล ก, กุตระก็เริ่มด้วยสติใ น, นงานพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันสอนตามบทยาสายส่วนใหญ่นะ พื้นฐานจริงๆก็รักษาศีลและมีความเห็นตรงสิบข้อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใครมีความเห็นตรงอย่างเนี้ยจะมีชีวิตอยู่แบบสัมมาทิฏฐิทำบุญสุนทานอะไรก็ง่ายอยู่ง่ายไม่ค่อยไปเห็นผิดน่ไม่เชื่อตามไอ้ไอความเห็นผิดผิดมันก็จะไม่วิ่งตามโลกที่มันหลงผิดกันไปใครทำอะไรเนี่ยพอเข้าใจแล้วมันอยู่ง่ายมันทำง่ายทาถูกต้องมันก็จเจริญก้าวหน้าขึ้นมา และมันมีวิบากด้วยนะวิบากนี้ให้ผลทั้งในปัจจุบันมีผลทั้งให้ชาติต่อไปหรือชาติต่อต่อไปด้วยสามระดับแต่ที่สูงที่สุดนี้ก็คือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเลยเอาจิตเรากลับเข้ามาเลยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันชอบไหลออกไปข้างนอกเพลินออกไปข้างนอกต้องให้จิตเรากลับเข้ามาวิธีไหนก็ได้เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันสบายอ่ะย่างฟังธทำอย่างนี้ ถ้ามันตั้งใจฟังอย่างเงี้ยจิตของเรามันก็กลับเข้ามาฟังมันฟังเนี่ยจิตก็มีสมาธิในการฟังมีสติมีสมาธิในการฟังจิตก็สงบได้เป็นสมาธิได้บางทีสงบเร็วด้วยเพราะมันเป็นเรื่องชีวิตของเราเองอะ่ะเราไม่ค่อยรู้เราไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเข้าใจขึ้นว่ามันสบายรู้วิธีที่จะดําเนินชีวิตอย่างไงทําให้ชีวิตของเรามันจเจริญรุ่งเรืองขึ้น โดยเฉพาะมาทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันเจริญมันประเสริฐ ข, ขึ้นสูงส่งขึ้นเป็นทางของพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ตัดเลยสมัยเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตัดสรุปเป็นเราตถาคตอย่างในปัจจุบันนี้สิ่งที่พระองค์ทำมีสองอย่างเจริญสตินี่แหละแต่พระองค์เจริญอาณาปานาสติแต่เวลามาสอนหนยขอให้มีสติเถอะสติปัญสี จเจริญอสุภะเจริญกรรมฐ า, านทางพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติเทวตานุสติโอเยอะแย ะ, ย ะ, ยะไปเลยเพราะว่าท่านรู้ว่าหลากหลายตามปัญยาสายเราก็เลือกเอาสิมาเออของเรามันพอดีอยังไง อ, อ่ะหาหน้าปัญสิก็ได้ดูลมตดลมปลายลมปาลมปายลมกัพองน้อ ย, ยุบหนอนอ่งต่อไปมันกับมาหาลมเหมือนกันหมดเลยนะมันก็ไม่จําเป็นต้องไปตําหนีกันสายโน้นสายนี้ มันเขาก็เคลื่อนไหวเอาเคลื่อนไหวนี่มีสติพอมีสติขึ้นมาแล้วอจะเคลื่อนไหวก็ได้ไม่เคลื่อนไหวก็ได้เพราะว่าถ้าจิตมันมันมันเห็นกับมันเองละมันปล่อยมันวางมันรู้มันเข้าใจมันจะวางกัมันเองไงมันก็เลยไปที่เดียวกันไม่จะไปหลงผิดอ่ะไปติดรูปแบบสายนั้นสายนี้ก็เดี่ยวตํางมีตีเตียนกันเราก็ได้ยินในฝั่งก็เออทั้งทั้งที่ก็ต่างก็มุ่งทําความดีกันทําไมจะต้องมาโจมตีกัน นอกจากว่าเอออันไหนไม่ถูกต้องก็แนะนํากันไปแก้ไขกันไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมานี่เรามีสติรักษาจิตได้ถ้าใครเคยฟังธรรมมามากๆเบางทีก็น้อมจิตมาว่าไม่มีอะไรเป็นเราอย่างนี้มันก็สงบลงไปเลยนะหรือคนปฏิบัติมานานอย่างนี้มันเคยเห็นมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีเราจริงๆเ่ยก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าร่างกายมันตายแน่ๆ ที่เนั่งอยู่นี่อย่าเป็นหลงหรเป็นเลามันรอคอยความตายทุกวันแต่ถ้าเป็นคนแก่เนี่ยมันจะคิดได้ง่ายนะเพราะมันเจ็บปวดมันทรมานมันเป็นนู่นเป็นนี่มันก็นึกถึงความตายอยู่เลยแต่มันดีลูกหลานตายก็ยังร้องห่มร้องไห้นะคนแก่เนี่ยก็แสดงว่ามันยังไม่ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตหรือมีอะไรมามันก็ยังวุ่นวายอยู่ในจิตยังหึงยังหองยังอะไรกัต่ออะไรอยู่เนี่ยมันก็ยังยึดอยู่มันแสดงว่ามันยังไม่ลึกซึ้งเข้าไปในจิต ส่วนจิตใจเนี่โอยเป็นยิงนำ ม, มาทําคิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวก็ดับไปคิดนึ่นคิดนี่เดี๋ยวก็ดับไปไม่มี อ, อะไรเลยความอยากความต้องการเนี่ยถ้าเราเคยฝึกมันนะฝืนมันหน่อยๆนะต่อไปนี่ความอยากก็สู้ได้แต่ถ้าใครไม่เคยฝึกนะโอ้เวลามันอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันดิ้นหลนหน้าดูเลยนะบางคนมันนอนแทบไม่หลับนะปรุงแต่งจะเอาจะเอาจะเอาถ้ามีใครเอาไปก็โอ้โหนอนไม่หลับอีกแล้ว บางที่ได้มาก็ยังเป็นทุกข์อีกต้องมาระวังมันรักษามาหวงมาแหนโอ้โหมันทุกข์ทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะนี่แหละการเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันทุกข์จริงๆคือจิตเรานี่แหละมันไม่พอดีมันไม่รู้ความจริงมันหลงคือหลงลึกๆ ก, ก็คือหลงว่า ม, มีตัวเรานี่ยแหละมีต้นตองมันเลยนะหลงว่าเป็เราเราก็อยากให้เรามีความสุขทําอะไรก็ทําเพื่อตัวเรานี่แหละมันก็เลยมีอัตราคับแคบกัน แข่งแย่งกันเนี่ยบางทีก็แค่นึกขึ้นมาเขาดีกว่าเราก็ทุกข์ละก็ให้ไลยป้ายสีการตาหนิตีเดียนนี่มันจะจิตของแต่ละคนเลยไม่ใช่เรื่องอื่นนะอย่าให้จิตมันพุ่งไปข้างนอกจับมันเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวจะไปหาเรื่องมาทําให้เราเดือดร้อนทําให้เราเป็นทุกข์แต่ได้เห็นมันบ่อยๆมันไปยังไงมายังไงเดี๋ยวเรารู้เรื่องมันคราวนี้เราไม่ทําตามมันเรายับยั้งจิตเราได้ง่ายขึ้น มีการดําเนินชีวิตมันจะดีขึ้นทันทีเลยสติปัญญาในความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือสติปัญญาประเภทนี้แหละไม่ใช่เป็นรู้เจ๊งเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมายเดี๋ยวนี้คนเนี่ยคิดว่าเป็นปัญญาไอเน็ตอะไรมันก็เยอะความรู้อะไรมันอยู่ในนั้นหมดเลยธรรมะก็อยู่ในนั้นด้วยบางคนไปได้ยินได้ฟังมากอธิบายได้ไปสอนไปอะไรก็นึกว่านั่นเป็นธรรมะ มันไปจำมามันเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะของเรามันต้องปล่อยวางได้มันต้องเห็นความจริงเห็นความจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยความจริงคืออะไรคือไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเลยในสุดท้ายเป็นอย่างนี้นะแล้วก็วางเฉยเลยแล้วก็เราก็ยังอยู่อ่ะแต่อยู่แบบเรารู้แล้วมายึดมัน่นถือมั่นแล้วควรทํายังไงก็ทําเกี่ยวข้องอะไรก็เกี่ยวข้องไป ทีว่าเน้ถึงความตายก็เพืะอสอนจิตเราไม่ใช่ว่าไปอุ๊จะตายอยู่แล้วอันนู้นอันนี้ก็อาทิ้งไปอันนั้นก็ทิ้งไปว่าเอาความอยากนี่มันที่มันทําให้เราเป็นทุกข์มันบีบคั้นเราก็ไม่ต้องอยากอะไรเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันอยากด้วยปัญญาก็มีอยากด้วยปัญญาก็เรียกฉันทะเช่นตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายเรามันต้องการอาหารนะมันจะเกิดความอยากหิวขึ้นมาเนินๆส่งสัญญาณออกมาแล้ะเราก็ต้องรับประทานอาหาร รัประทานอาหารก็ต้องมารู้อยู่ว่าอันไหนเป็นประโยชน์มากน้อยอันนั้นให้โทษอันไหนไม่เหมาะสมแก่เราก็ระวังแล้วประทานมน้าก้ามันหนักเนื้อหนักตัวที่นี่เมาอาหารปฏิบัติก็ไม่ได้ง่วงซึมกลายเป็นเวทนาอีกแล้วกลายเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วก็ผ่อนลงมาไม่ต้องไปตามความอยากมากหายความอยากที่เป็นส่วนเกินเนี่ยเขาเรียกว่าความอยากเป็นตัญหาแต่ถ้าว่าเออมันพอดีมันเป็นความจําเป็น มันก็เป็นฉันทะไปเป็นปัญญาไปเนี่ยมันก็มีเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างฉันทะกุศลฉันทะฝ่ายปัญญากับปัญหาตัญหานี่มันจะมีความโลกผสมโลงอยู่นะหรือวิเคราห์ปัญหาเนี่ยพอมันต้องการอย่างหนึ่งไม่ได้อย่างหนึ่งมันก็กลายเป็นความโกรธไปไม่พอใจขึ้นมาก็เรื่องจิตทั้งนั้นแหละก็ยอมรับว่าเออตอนนี้จิตของเรากำลังมันอย่างน้อยเราก็เอา ขอให้ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปสะสมไปมันก็ไม่เท่ากันบางคนก็เคยทำมามากแล้วไดนอดีตก็ทำมามากปัจจุบันก็ทำมามากมันก็ขยับไปตามเหตุตามปัจจัยคนไหนยังทำมาน้อยอยู่ยมันพอสติปั๊บมาอยู่นิดเดียวเดี๋ยวไปอีกแล้วก็เอาหมา่คนที่ทำมามากในปัจจุบันก็เขาก็เคยทำมากน็น้อยแบบเรานี่ละ่ะเริ่มต้นมากัคล้ายๆกันนี่ละ่ะ ไม่ใช่ว่าเจ็ดปุ๊บแนวแนว่เห็นขันห้าเกิดดับไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครูเจ้าก็สอนให้ทําไปตามลําดับเพราะนั้นก็ค่อยๆทําไปนี่แหละได้มากได้น้อยก็ทําไปมันก็ไปตามลําดับละ่ะอขั้นต้นๆก็อย่างว่ามีสติไปรักษาจิตไปให้จิตอยู่กับตัวเราทีนี้คนที่เห็นขันห้าแล้วปล่อยวางได้แล้วมันก็รู้ทางของมันเองแหละยิ่งเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วยิ่งมันก็ยิ่งปล่อยวางไป เพราะมันยึดก็ยึดไม่ได้จริงๆไงฝ่ายกายนี่ถ้ากายเข้าใจปุ๊บแค่เอาจิตมันสัมผัส ด, ดูกายก็เป็นอันหนึ่งจิตก็เป็นอันหนึ่งเพราะในสมัยพระพุทธเจ้าแค่พระเจ้าแสดงธรรมว่าไม่นานหนอกายนี้เมื่อปราศจากวิ ญ, ญญาณคือจิตใจอะจักนอนทับบนแผ่นดินไม่ผิดอะไรกับท่นไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้พระกํากลังนอนป่วยอยู่นี่พลิกจิตปับ๊บส่องเข้ามาดูกายเลยแล้วก็เห็นไปตามนั้นด้วย เห็นมันก็วางพอวางก็เห็นอาการที่จิตไปยึดจิตก็เลยทิ้งไปด้วยกันแน่มันก็ปุ๊บไปก็บรรู้ทําได้สุดท้ายมันต้องปล่อยต้องวางมันต้องเห็นความจริงและจิตไปวางหรือจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องลมเดี๋ยวก็ดับเรื่อลมแล้วก็ดั บ, ดบตอนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็ไปอ่านนี่แหละเป็นเรื่องขันห้าศึกษาเรื่องขันหน้าลูก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาว่าขัน5นี่ประกอบไปด้วย5้าอย่างนี้เราก็ปฏิบัติเราก็ดำเนินมาดำเนินมามีวันหนึ่งมันก็น้อมเข้ามาเออลูกไม่สงสัยรูปประขันเห็นชัดมันเจ็บมันปวดเนี่ยเวทนาขันก็ชัดเราสู้มาตลอดโอ้เจ็บใครได้ป่วยมันมีทุกคเวนาแบบไหนเอาจิตดูพอจิตเรามันเป็นกลางไม่เดือดร้อ น, นก็เห็นจิตเข้าใจรู้เห็น สัญญามาก็เห็นว่ามันเกิดดับจริงสังขารก็เห็นเอ๊ะแต่วิญญาณไปรู้อารมณ์ได้ยังไงนะไม่ชัดในความรู้สึกนะเราเป็นอย่างเงี้ยโอ้ไม่ชัดแต่ก็ยอมรับว่าวิญญาณเนี่ยมันต้องไปรู้อารมณ์แล้วส่งต่อไปรู้อารมณ์ส่งต่อไปอันนั้นยอมรับตามปริยตัตไปก็เลยตัดสินใจเข้าป่านั่งภาวนาในป่าสังเกตเวลาอะไรเกิดขึ้นปับ๊บจิตมันจะวิ่งไปรู้ตั้งวันมาเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะในป่าในเนี่ยป่ามันกว้างในเขาอะปั๊บ อกลางวันเป็นอย่างนี้กลางคืนก็ไปอีกก็มินอุ่นนี่นี่โอ้เห็นวิญญาณมันไปทํางานแล้วปุ๊บจนกระทั่งมีวันหนึ่งอ่ะมันดูปับ๊บอารมณ์มาปับป๊บปับ๊บปั๊บมันดูมันเกิดเร็วอารมณ์ที่มากระทบอ่ะมันก็เห็นจิตเนี่ยวิ่งเข้าผวางังปุ๊บเป็นรูลมปุ๊บเข้าผวางังแล้วก็รู้ใหม่ด้วยลมเข้าผวางังรู้ใหม่โอ้โมันเกิดดับอย่างนี้เองเนี่ยดูซี่การทํางานของจิตถ้าไม่ลึกซึ้ง ไ, ไม่เห็นอ่ะ ตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยไม่สงสัยว่าจิตมันทานํางานยังไงวิญญาณเนี่ยมันทานํางานยังไงคือวิญญาณนาขันเนี่ยพราะเวลาพูดนี่เราไม่ได้สงสัยอะการทํางานของขันหน้าการทํางานของจิตให้ร่างกายมันหยาบอยู่แล้ว เ, เห็นคนตายอยู่แล้วสมัยที่อยู่วัดดอยธรรมเจดีย์ท่านอาจารย์แบรนเนี่ยชอบเวลามีงานศพอ่ะท่านชอบให้ไปเออก็แปลกดีนะทีแรกก็ติดตามพาผู้ใหญ่ไป พรรษาแรกๆพรรษาที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะพอเริ่มพรรษามากขึ้นก็เป็นหัวหน้าพาเข้าไปทางงานศพล้วก็คันชิปกันทีเลยเออมันก็ได้พิจรารณาเนะี่ยได้เห็นบางทีก็เขาเปิดศพเปิดอะไรมาดูเออมันเป็นอย่างนี้เองบางทีก็เขานิมนต์ไปเก็บกระดูกไปอะไรเอาไปอะไรงดูเป็รับตอนยังไม่เผาก็เป็นอย่างหนึ่งเผาแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะั่นเหลือแต่กระดูกกระเท่าฐานเขาเก็บเอามา ร ว, วมกันมัดมัดมัดมัดอะ่ะเอามาสวดมาอะไรตามประเพทนี้ของเขาอ่ะมีมูลพระไปสวดเราไปสวดเราก็ก็เห็นนี่ยโอมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะแล้วจะให้เป็นหลงยึดร่างกายเนี่ยมันไม่สมควรเ อ, อย่างล้วก็ให้จิตเราเข้าใจอะ่ะเรามีชีวิตอยู่โอ้เป็นอย่างนี้เองร่างกายมันก็ยได้เบาลงไปเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมันมัดสั้นเลยก็ได้ตายตา ย, ตายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราถ้ามันพอใจทำนะมันแน่วแน่ จิตมันปักเข้ามาได้มันปล่อยมันวางได้ก็สแสดงคนนั้นนะเคยฟังธรรมมามากเคยปฏิบัติมาแล้วจเจริญวิปัสนามามันก็เลยเข้าใจแล้วก็เห็นตามไปแต่ถ้าใครเคยจเจริญสมถะมากก็เอา้ามันก็นิ่งซะก่อนอยู่นิ่งก็ต้องมาพยายามฝึกให้มันเห็นขันห้าเอ็นไหมพี่นาขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทำใหม่ๆอยู่มันก็นี่แหละเดี๋ยวก็ไปแล้วก็เอาใหม่มันไปก็เอาใหม่เนี่ยมันก็อยู่ขั้นตอนของการปฏิบัติขออย่างเดียวให้ได้ปฏิบัติหนึ่งลงตรงนี้เลยเกิดมาไม่เสียชาติแล้วได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีพระทัยสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยรู้ความจริงด้วยสัมมาสัมโพธิญาณรู้โดยสัพพัญญุตญาณเรียว่าสัพพัญญูเลยผู้รู้แจ้งโลก ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพอใจเลยพอใจปฏิบัติตามไปเลยแล้วชีวิตของเราก็หามาหากินไปเดี๋ยวก็ตายไปก่อนตายเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอุปเสศที่สุดเลยครานี้เราก็ไม่ต้องเกลียดข้านนะต้องพยายามละ่ะเพ้อเพลินไปบ้างอะไรไปบ้างพยายามกลับมาใหม่เอาใหม่นี่เอาอยู่อย่างนี้กรรมของเราก็เป็นกรรมที่ดี เดินตามทางของพระพุทธเจ้าไปมีละชีวิตเรามันก็เลยมีที่พึ่งแล้วอานุภาพของพุทธเจ้าพระธรรมสง่งอู้หมันประมาณไม่ได้จริงๆเลยนะคนแค่ใครเราลืล่อนถึงพุทธเจ้าพระธรรมส่งเนี่ยด้วยความเคารพศรัทธาเริ่มสายนี่ก็โอ้บุญก็ประมาณไม่ได้มากกว่าถวายทานแก่พระเจ้าพระธรรมสง่์มากกว่าถวายสังฆทานมากกว่าวิหารทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารขึ้นมา น, นั้นเลยนะนี่ระบบของทานนี่สู้ ใครระลึกถึงพระเจ้าประดามประสงค์แต่ต้องระลึกถึงด้วยความเคารพไม่ไปเอาเรื่องมงคนตื่นข่าวไปเคารพนูน่นนนี่ี่ไม่ต้องแบ่งออกไปเลยนะหวังพึ่งอย่างเดียวธรรมะของมระพเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคือแบบมีความเห็นถูกต้องไปด้ว ย, ยหมายว่าอย่า ง, งานั้นเอาต่อไปนี้ก็จะให้ปฏิบัติตามลาพังนะ ใครอยากไปเดินจงกรมไปนั่งภาวนานในป่าตามปัิยาศัยที่นี่เราจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่ก่อนนี้จะให้เลิวพร้อมกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอเลิกพร้อมกันแล้วใครๆกับว่าต่างคนต่างมุ่งมาปฏิบัติแล้วก็ตามอัธยาสายใครไม่สะดวกที่จะนั่งนานก็ลุกไปเดินได้หรือนั่งแล้วมันน่วงมันซึมเอาแก้ไขตัวเองสะก่อดลุกมาเดินก็ได้แล้วก็เราก็อนุญาตว่าเดินในนี้ก็ได้ ตอนนี้ก็กําลังสร้างต่อเติมออกไปเพื่อให้มีที่เดินจงกรมปฏิบัติธรรมเราเน้นปฏิบัติธรรมอย่างเดียวอย่างอื่นก็เพื่อเสริมเข้ามาทําบุญทําบุญงามความดีตามพระพุทธเจ้าอย่างอื่นไม่อยู่ในหัวใจเลยนะจะไปสร้างสวยงามสร้างโน้นสร้างนี่เราว่ามันเยอะแล้วเกินความจําเป็นละใจไม่ชอบใจไม่อยากทําเพราะเราก็ไม่อยากได้อะไรด้วยไม่หวังอะไรนะก็มีอย่างเดียวก็คือว่า อยากให้คนนะมีธรรมเป็นที่พึ่งละอ ย, งอย่างน้อยก็ได้บุญได้กุศลตามลาดับตามลำดั บ, ม, ดบมีสุขติเป็นที่หมายก็ยังดีนะถึงไม่ได้บรรลุธรรมอะไรก็เอาได้ไปสุขติไปสวรรคนะ์เพราะนั้นมาที่นี่เราจึงอยากให้ได้สิ่งที่ดีงามกลับไปนะเน้นอ ย, อยู่อย่างเนี้ยความเป็นอยู่ก็นี่หละเมื่อหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันก็ให้อภัยกันเมตตาต่อกันช่วยเหลือกัน การอยู่ร่วมกันเน่พระเจ้าก็บอกธรรมะเอาไว้หั่นแรกเลยทานแบ่งปันการการตักข้าวปลาอาหารอะไรเนี่ยก็ต้องนึกถึงคนข้างหลังด้วยเอาพอดีถ้าวันนี้มันเหลือเยอะเราก็ลดผ่อนลงไปไม่ต้องเผื่อมันละร่างกายเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนึกถึงคนอื่นได้บุญด้วยถ้ามันพอดีกับเราเออมันไม่เป็นไรเหลือนิดหน่อยๆเอาธรรมาดามก็ต้องเหลือบ้างแต่ถ้าเด็ดขาดลงไปไม่หเหลือละอาหารนี่ยถ้าใครรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ย โอ้เป็นธรรมะเลยนะเป็นธรรมะข้อที่รักษายากด้วยพอเห็นอาหารปุ๊บนี่มันโอ้โหมันอดไม่ได้แต่เท่าที่สังเกตตัวเองเนี่ยฝึกมาเนี่นะถ้าวันไหนเอาพอดีนะโอ้ยหนักท้องนะหนักเนื้อหนั ก, น ก, น ก, นกตัวเลยนะเมาอาหารยืนเดินนั่งนอนไม่สะดวกเลยต้องไปเดินจงกรมมากๆเดินไกลๆเดินไปเดินมาเนี่ยเพื่อให้มันย่อยอาหารก่อนแล้วถึงจะเบานะ แต่ถ้าวันไหนเอาน้อยไอว้เนี่ยอ้เบาสบายกับพอดีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้ให้รับประทานน้อยฉันน้อยมีการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญด้วยคนปฏิบัติธรรมทานแบ่งปันปิยวาจาพูจาก็นึกถึงคนฟังด้วยเป็นวาจาที่มันมีประโยชน์อะอย่านัาเป็นธรรมอ่ะที่จริงอ่ะถ้าเป็นธรรมมันจะจบเลยนะพูดธรรมะกัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์มีเหตุมีผลฟังแล้วคนนั้นเขาได้รับประโยชน์เอาไปพัฒนาตัวงให้ดีขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่ว่าไปตั้งใจสอนกันอย่างนั้นไม่ใช่พูดนี่มันมีความจำเป็นต้องพูดต้องคุยเราพูดคุยด้วยความมีเมตตาพัถนาดีคำว่าปิยะปิยะแปลว่าน่ารักปิยะวาจาวาจาน้ารักเราจะไปคิดถึงแต่ว่าอ่อนโยนอ่อนหวาน สุภาพอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลด้วยเป็นธรรมะด้วยเป็นสุภาษิตอ่ะอัตจริยาอันนี้ก็มีการงานอะไรก็ช่วยกันไปเด็กๆน้อยๆอย่างเรามาอยู่ที่ต่างคนต่างคนขวายมาประพฤติปฏิบัติอ่ะก็มีกิจกรรมเราอยู่ที่ไหนไม่มีกิจกรรมมันไม่ได้หรอกเราก็ต้องมีท้องมีปากมันก็ต้องมีการรับประทานมีที่อยู่อาศัยการอยู่การอาศัยก็ใช้สถานที่มันก็ช่วยกันดูแลมันก็ถูกเป็นเป็นธรรมอ่ะ ก็ช่วยกันเช้าๆ้ามาใครถนัดยังไงก็ทำไปทำตามกำลังของเราถ้ามีข้อจำกัดก็ต้องให้อภัยกันเจ็บไข้ได้ป่วยทำไม่สะดวก ห, หรือแบ่งปันหน้าที่ ก, กันเอาช่วงนี้คนนี้ไปปฏิบตัติเราถนัดคนถนัดก็ทำซะตรงนี้ถึงเวลาก็คนที่ไม่ทำตรงนั้นก็นมาช่วยทางนี้ อ, อย่างนี้มันก็อยู่ด้วยกันได้ก็เป็นวัดเป็นวานะแล้วจิตที่เป็นกุศลเนีเ่ย ม, มันมันเจริญเร็วนะ มันได้เสียสละมันได้ทำสิ่งที่เป็นกุศลมันเหมือนกับมันได้อาหารนะ่ะจิตใจเนี่ยอย่าพระเจ้า ก, ก็บอกนะคือถ้าทำดีเนี่ยทำดีแล้วเนี่ยผลของการกระทำนะ่ะการงานอะไรก็ตามทำแล้วเนี่ยเราได้เสียสละเป็นประโยชน์เนี่ยจิตใจมันจะมีเบิกบานทันว่ะมันเป็นปาโมดเบิกบานลื่นเริงบันเทิงแ ล, แล้วมัมีปีติตามมาอิ่มเอิบเนี่ยเห็นผลงาน ที่เราทําคนอื่นได้ใช้ได้สอยได้อยู่สุขสบายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นมันบีปิติแล้วก็เกิดความสงบเกิดความสุขเนี่ยมันมตามมาหมดเลยนะแล้วก็สติรักษาใจง่ายสติรักษาใจง่ายใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงมีบรรลุธรรมได้ด้วยมันเป็นทางออกของจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นอันไหนควรทําก็ทําได้ นี่เรียกาอัตาจริยาช่วยกันงานเล็กงานน้อยมันก็เหมือนไม่มีงานอะ่ะงานมากก็เป็นงานน้อยไปแต่ถ้าหากว่ามีข้อจํากัดเราทําไม่ถนัดเลยอะ่ะเราเสียสละอย่างอื่นมันก็ได้อยู่ อ, อย่างบางคนมาที่นี่นะเวลาไม น, น้อยกเร่งปฏิบัติก็ทําบุญสุนทานอะไรก็บริจาคอะไรก็สมควรตามฐานะตามสาภาพแล้วก็อยู่ปฏิบัติไปก็ให้โอกาสกันก็ตามความจําเป็นตามความเหมาะสมไม่ว่ากันให้เข้าใจกัน แต่ให้ใจเรานี่มีมีจิตใจที่เอื้อฟื้อต่อกันแต่สมาหน้าต า, ต า, ต า, ตานี่ยสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันนะพุณยังไงต่างคนต่างก็มาปฏิบัติให้มีโอกาสได้ปฏิบัติกันสมมเสมอเสมอต้นเสมอปลายกันต่างคนต่างก็มาปฏิบัติกันแล้วมาเอาความความดีกันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันพระธรรมอันเดียวกันเนี่ยถ้ามันเข้าใจกันก็อยู่ง่ายนะไม่ต้องมาหวาดาระแวงกันนอะ ปฏิบัติก็มันก็สบายไม่มีอารมณ์อะไรมากมายไม่ต้องมาคอยล้างอารมณ์กันออกไปกระทบอารมณ์ก็นิดหน่อยมันก็ดูจิตเราอ่ะมันมีอะไรขึ้นมาก็เรื่องของเราเราก็เห็นมันเกิดเห็นมันดับเป็นฝ่ายปัญญาไปเลยเป็นธรรมะไปหมดเนี่ของเราต้องการให้มันมันรวมมาที่การปฏิบัติทำให้ได้ผลถ้ากระทบอารมณ์ถ้าใครน้อมปัดเข้ามาหาตัวเองปรับแก้ตัวเองอันนี้ถูกทางเลยนะ ถ้าส่งออกไปอไปคนนั้นคนนี้อยู่โอ้โหมันห่างไกลธรรมะมากเลยนะไม่ต้องไปดูยากหรอกกระทบอามปัป๊บเนี่ยถ้าใครน้อมเข้ามาโอ้ดูสิจิตของเรามันยังมีขีเลยมีตัณหามีอุปาทานเยอะเลยนะนี่ตัวตนปืดๆขึ้นมาแล้วนี่เห็นตัวเองมันก็จะต้องพลิกเข้ามาหาจิตตัวเองเนี่ยบางทีก็มีเผล่ออกไปบ้างโอ้จะแก้ไขยังไงดีจะต้องพยายามแล้วดูซิเนี่ยมันบีบคั้นมันเจ็บปวดมันทุกข์มันทรมานนี่คือมันมันเข้ามาหาตัวเอง ถ้าว่ามันไม่เข้ามาตัวเองมันจะส่งออกไปมันทํากูทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มันว่ากู้ไอ้โอ้ยสารพัดเรื่องนะไอ้นี่มันเด็กๆมากเลยนะสติปัญญามันไม่มีเลยอ่ะมันมีปัญญาถ้าไปรู้ความรู้ตามธรรมะของพระเจ้ามากมายกายกองขนาดไหนก็ตามเถอะแต่ไอ้ปัญญาตรงที่มันเห็นความจริงเนี่ยมันไม่เห็นเลยอ่ะมันดูไม่ยากไม่ต้องไปคิดอะไรมากนี่แหละจริงตรงว่าให้มาดูจิตตัวเอง และธรรมชาติของกิเลสตัญหาอุปาทานเนี่ยกระทบอารมณ์ปั๊บมันไม่ทันก็พุ่งไปข้างนอกก่อนมันปรุงแล้วเออไม่เป็นไรเพราะว่ามันแค่อยู่ในจิตเราห้ามไม่ได้สติปัญญาเราอยู่นู้นไม่ทันก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคุมไม่ก่อนคุมไม่ก่อนคนที่คุมไว้เห็นจิตเห็นจิตเหอาการ์ของจิตเดี๋ยวเหตาการณพวกนี้ค่อยๆดับดับดับต อ, อนกําลังลงจบไม่มีปัญหาเลยรู้วิธีเข้าใจดันดีวิธีจะรับมือกับ ไอ้พวกความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตเราแล้วตรงหมดลหละที่พระเจ้าบอกว่านี่แหละทุกข์มันเกิดในจิตเนี่ยกระแสของทุกข์มันมาอย่างไงอย่างไงเห็นแต่มันรวดโลเราอธิบายอย่างพระพุทธเจ้าอธิบายไม่ได้แต่เราจะเห็นอาการของมันรวดโลขนาดที่ว่ามันเราเห็นเมื่อไหร่มันทุกข์แล้ววุ่นวายขึ้นมาแล้วเดือดร้อนแล้วนี่แหละมันเร็วมากแต่ถ้าพูดตามตามที่มันทํางานอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่พรรษะปั๊บเกิดเวทนาเวทนาปั๊บ ก็เกิดปัญห า, าเพื่อเราแหละที่นี่อยากให้เรามีความสุขนั่นแหละจยิงๆสุขก็สุขเวทนาแต่มันไม่รู้เรื่องเวทนาจิตเนี่ยจิตเนี่ ย, ยไม่ใช่เราด้วยตัณหาแล้วก็อุปทานตัณหาบ่อยๆมากๆก็เป็นอุปทานอุปทานก็ยึดไว้ยึดไว้ที่นี้จะกระทําตามอํานาจของอุปทานนั้นก็เรียกพบสร้างพบขึ้นมาแหละไอการกระทํานั่นแหละมันทำให้ไปเกิดอบายภูมิบ้างเป็นมนุษย์เทวดาบ้างเป็นพรมบ้างก็นี่แหละก็การกระทําตามอํานาจ อ, อุปทาน ทีนี้มันมากขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นกับเรียอวาัานธรรเกิดขึ้นในจิตซะก่อนก่อนที่มันจะไปเกิดมีกระแสทุกข์มันอยู่ในนี้กระแสการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตนี้จึงต้องมารู้เท่าทันจิตของตัวเองเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตของเราเองด้วยก็ต้องมาดูสิทดสอบดูว่าจิตของเรามันส่งนอกมากไหมมันไปโทษคนอื่นมากไหมหรือว่ามันเบาลงแล้วผิดพลาดบกพร่องเอาพร้อมให้อภัยซึ่งกันและกัน เพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคขาดขวางการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเข้ามาหาจิตของตัวเองเอาต่อไปให้ตั้งใจปฏิบัตินะแล้วใครที่เคยง่วงนอนกระตุ้นจิตตัวเองให้ดีนะตาบริกรรมโมลิบรกรรมให้เรวแก้ไขให้แรงตากําลังดูอยู่กับกระตุ้นความรู้สึกให้มันแรงขึ้นจนแยกจิตออกมาจากความง่วงความซึม น, นั้นได้มันจะหายเตือนจิตเราให้ระวังระวังระวัง เราสามารถเปลี่ยนคําบริกรรมได้ทันทีเปลี่ยนเป็นระวังระวังจิตเราจะได้ตื่นแล้วก็ระวังตัวถ้าจิตมีกําลังมันจะแยกออกมาจากความซึมจิตก็เป็นอันหนึ่งความซึมเป็นอันหนึ่งจิตเราก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึนเห็นความซึมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เป็นธรรมะขึ้นมาเป็นวิปัสนาขึ้นมาแม้แต่ความร่วงความซึมอะไรก็สามารถเปลี่ยนเป็นธรรมะได้เจ็บปวดขึ้นมาเรานั่งนานมันเจ็บมันปวดแต่ใครไม่มีกําลังมันก็อยากขยับอยากนี้อยากอะไร เราก็คุมจิตไว้ก่อนให้มันได้ดูกําลังของจิตขึ้นมาฝึกขันติขึ้นมาเราก็ได้เห็นมันเดี๋ว่าโอ้เจ็บปวดนี่มันเป็นเรื่องร่างกายมันไม่ใช่จิตแยกจิตออกจากเวทนาได้แยกจิตออกจากกายได้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันทุ้งซ่านมันเอาไม่อยู่เออก็บอกตัวเองซะว่าโอ้ตอนนี้กําลังเรายังไม่พอนะเราปฏิบัติยังน้อยอยู่มันสู้ไม่ไหวอ่ะคุมจิตไม่อยู่แล้วเราเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆแล้วดูใหม่บางทีก็ได้ประโยชน์ด้วย บางทีก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเอาว่ามันเจ็บก็เจ็บไปเปเรื่องของร่างกายไม่ใช่ของเราสักหน่อยเป็นเรื่องเวทนาอันนี้จิตมีมกําลังขึ้นมาแล้วเห็นความจริงต่อหน้าต่อตาด้วยรู้เข้าใจด้วยมันก็เป็นวิปัสนาได้อีกแล้วก็เวลามันเจ็บมีจิตมันจะทํางานปุ๊บปุ๊บุุบบบ๊ก็เห็นจิตอีกท่านที่ว่าให้ดูกายดูเวทนาดูจิตสติปัฏฐานสี่มันก็ขึ้นอยู่อันไหนเด่นขึ้นมาก็ดูอันนั้นไป ไม่ต้อไปเลือกอารมณ์ไม่ได้ว่าโอ้ดูอะไรจะดูอันนั้นดูอันนั้นอนนั้นอย่างเดียวอันนี้มันเขาจะผิดแต่ถ้าว่าเออสมถะนี่ใช่บริกรรมก็บริกรรมเอาอันเดียวได้พอแอนอยู่ในขั้นที่จะให้จิตกลับเข้ามาซะก่อนอยู่กับตัวเองซะก่อนแต่พอมันเริ่มจะไปขึ้นสู่สติปัญญาสีเจริญสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยอะไรเด่นดูไปได้เลยถ้าใครดูจิตถ้ามันวางอย่างอื่นแล้วเนี่ยจอเข้าไปเลย จ่อเข้าไปเลยไม่ให้คาดเคลื่อนไปทางไหนเลยย้ายจิตเผ้อเพลินไปทางไหนได้ไมห่หลุดไปไหนได้จิตขยับตัวก็จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปมันลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปเดี๋ยวก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวติดเนี่ยเราไม่กลัวนะเพราะมันรู้อยู่นี่รู้อยู่นี่แล้วจิตมันจะพยายามถ้ามันเห็นเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นไปมันจะขยายขยายความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาพลังของจิตก็จะมากขึ้น มากขึ้นเราก็จะเห็นแจ้งชัดไปหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนี่วางเด็ดขาดได้เอาไปปฏิบัติตามลำพังนะ